ไ่ได้เถไปนีเรื่อไรหล่ะไม่ไมาหาไคือมูฮั่นาล่ะมูฮั่นเนี่ยอัตมาภาพอัตมาภาพแล้วลมจะภาพจะภาพยู่ไปเขา่ได้รู้ไหอัตมาภาพหรืู้กูหมดสงสัยบ่สงสัยว่าพุทธศาสนาสัตย์พันวาสงสัยล้วก็ปัดตีนี้ว่าสัยนี่มันยังหรือ่นในพี่เหนหน้าลูนี้ก็สพันวาพุทธทังสมบัตินีนะพะท่นทันพูดได้ ว่าพี่แง่า่วงหนีนะครับพิษว่ารับรองนะท่นเพราะว่ากันพี่แง่ล่วงนีแต่คว่าผิดสีรับรองเพราะว่าของท่านหลวงปู่มันรับจะแมนจะประทับหรอกเดี๋วานแหวไปันหนึ่งก็ไปง้มป่าวันหนึ่งนั่านมันกับ่ะไ้แถวว่าสั่งง้มอยนีว่าสั่งงมจะหนีขืนว่านีว่าย่างนี้ขืนว่านีขืนว่าหนีว่าที่ได้คักข้อโปะใช้ออสใช้ของตัวสั่นพระ่าสันพี่แง่ล่ออกจากนี้พิดโหลดทนรองสี่หลวงปู่มันมันกับแมนข้อมันแต่ว่าท่านว่าคนะ อันพวกปฏิทินที่นําในมิดนี่มอยน่าโรกสวรรค์ยังช่างยังสื่กัพอพี่ยังนาออกจากนี้แหละว่าโตประเสริฐเลื่อนร่ำปฏิทินได้ในน่โลกสวรรค์นะช่างไม่แค่สวรรค์เขาเห็นเขาแห้งแล้วเขาเห็นคุณสมบัติของสวรรค์เขาแห้งล่ะมันเป็นทุกข์มันโมมันมาเทียงเที่ยวโลกเข้ามาโลกเขาก็เห็นเขาแห้งแล้วเห็นทางปัญญาสมัตาจะกูุจักจุ้รอบครอบปัญญาจะกูุจักจุ้คือปัญญาพุทธเจะาคูจะกจู้ยเพุทธเจ้า สมัญตายจักขูจะกูรอบครอบพิจาณาอนิจจังทุกครั้งอนัตตากรรอบครอบเหมือนกันปัญญาจักขู่จักขู่คือปัญญาก็อันเดียวกันพิจารารอบครอบแล้วในใจรกชาตินั้นเต็มไปด้วยอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือว่ไปใช้มันก็ว่าถือดอกผู้ว่ากัมันตัวอนิจจังทุกครังอนัตตาผู้ฟังกับมันตัวอนิจจังทุกครังอนัตตา เมื่อกีสังขารคิตาสังขารกายยสังขารเมื่อกีสังขารจิตาสังขารเน่ยติธรรมอนาจอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาทั้งนั้นจังพี่แกนาตามไม่จริงพระวัดตามไมจริงลุดพ้นตามไมจริงเนี่ยเที่ยวมาหลงอันนจังทุกขังอนัตตาอีกกรทำมาขันโมภัว่ามาหลงอันนี้จังทุกขรังอนัตตาอีกเพื่อนเขาสู้พระเนี่นว้าหันมาโมพันธ์เอาไปพระนี่ยผ้านำหนออันนี้จังทุกขังอนัตตาพี่แกหน้าเบื่อให้มันเบื่อใมันนายอยาให้มัน มันเข้าใจว่าของเ่็เทียงเป็นของเทียงมันเข้าใจว่าของเป็นทุกข์มันถือว่าเป็นของสุขมันเข้าใจว่าของว่ามันตัวมันตนเนี่เข้าใจว่าเป็นของมันตัวมันตนคือนังห่มอยู่ได้รอบนั่งห่มอยู่ได้รอบแล้วมันเข้าใจว่าของมันงามมันไป็นพยัดชนะงามมันหลงอยู่สีข้อวิปัลสสกะมีความหลงอยู่สี่ข้อของไม่งามสําคัญว่าตัวว่างามเหงือนนังห่มอยู่ได้รอบ ของบรนทุกสองคำตัวเป็นสุขคือหนังหุ้มอยู่ได้รอบของไม่ใช่ตัวใช่ตนสําคญว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนคือหนังหุ้มอยู่ได้รอบของที่ไม่เทียงสาคัญว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ้มอยู่ได้รอบสิ่งที่มาที่ปัญญาลงนี่เองพระพุทธภาประสงค์ก็ลงอยู่ในที่นี้อลาหะเอว่าง เขาโตเกให้จัดกันแ่เลว่าน้ำนนีเเราะันใ่นี่เกคน่อเปล่นน้ำมาตั้งสามสีล้านกิโลถ้ฟังเสีมากเขาใจโเั่นยอะเยอดที่สุดเลยยอดยอดยอดหมูหวานกวา นี่หในมันเป็นตะเบือตะนายในวันตาสงศารเนียนั้นเป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนมันเป็นตะเพือนในวัตาสองศาลเนนั้นเนี่นั้นมัเป็นคำสอนของพระเจ้าเนวไหนมันสิลงมมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกเนี่นั้นมันเป็นคำสอนของพระเจ้าเข้ามาเบือนายวัตาสองศาลก็มึงเบือนายโค้มหลงจะของลว่ามันจะไปผูกข้อตายด้วยเบือนายโค้มหลงจาของที่เคยลงมากเงินเวส่าพาวานาสมัย ญาติเว่าเพื่อรตูตามเป็นจริงเพื่อสรตูตามควบหลงของเจา้าของเจ้าของตามเป็นจริงเจ้าของหลงไพราะชาตได้ก็เพื่อจะให้มนรู้สิกู้สิไทยสิถอนควบหลงขึ้นมาสิกู้ทรารกู้พบคืออริยศาสตร์อริยศาสา์นะครับแต่พระสุวรรณาลเป็นต้นไปเนื่องเพราะอริยศาสตร์เป็นเอกเทศอริยศาสตร์สันที่สองพระชะกทาข้ามิสันที่สามพระอนาค้ามิสันที่สพระละหันพระละหันหนึ่งกูอริยศาสตร์ขึ้ น, นมาในหมนแล้ว ผู้ดอยากเป็นพระสอดาวันให้มีสินหาบริบูบรณ์วัชรายอยาก่วงลำเอื้อสินหาแำเรียนละพระสอัสดิวันละหันหนาเออกันเทิด้อยากรวงลำเอือสินหายุ่งกับบำเรียนเฉดายอยากเป็นเลขย่กับ่ำเรียนเฉดายอยากเป็นเลขว่าตัวใดนอนฝันอยงไรฉันหนึงที่ไปผูกอนนาภาอนาเจ้าบาปม่อระพตกมอระพุตายเพื่อนอกธรรมธร้าโมมาตัวไปผูกอเล็พุอ มาตกมรรคตกตายอยันนั้นงั้นมาถือสาสดาอื่นโมนเสียดายถือสาสดาอื่นโเสียดายทือเลิกดีย่ ม, มีโมเสียดายจักขอดเว้นขอดไพ่กับผู้ใดั่นภูมิของซูเจปจโนขันมีซูเปปโนอยู่ในอุ้งมือสติอุ้งมือปัญญาเนี่ยญาติอุชุญาตสามีจิตก็มีอยู่ในตัวเว เราพืชทุกมาจันเพื่อพรวนทุกนวัตตาสงสารปัญหามันว่หลายเน่ปัญหามีน้อยเดียวหนึ่งกันประ s. <S พืชพุกมาจันในท่านเราใส่สาสินภาวนาเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพ้มสมบัติเพื่อไอ้ย่างนั่นย่างนี่หาที่สุดที่เสียงว่าได้ปัญหามันก็หลายเน่เพื่อพระภาพสมบัติเพื่อตัดวัตตารงสารเพียงเดียวเท่านั้นปัญหามันก็ว่าหลายเน่ปัญหามันหลายเนี่ยสมัยเพราะมันปัดธนาหลายพูด ปัถนาเกิดแก้เก็บตายคือปัถนากองทุกข์เห็นไพ่ในวัฏฏะสองสามอย่างเต็มทีกระดับเพิ่มในวัฏฏะสองสามอย่างเต็มทีเนี่ยยู่ในหลุมทานเพิ่มในวัฏฏะสองสามนี่เกิดกับมันลุมทานเพิ่งแก่กับมัลุมทานเพิ่งเก็บกับมัลุมทานเพิ่งตายกับมัลุมทานเพิ่งโรคปวดรุกอันกัมันหลุมทานเพิ่อยินดีในโลกทั้งปวงเอยินดีในหลุมทานเพิ่งยินดีในควเกิดแก้เก็บตายก็ยินดีในลมทานเพิ่ง พี่จหน้าหาเบือ่อหายนายนีพย่พิธาก้นเบื่อนายแบบเย็นเยื่อนเบือนายเราแบบผูกกับข้อจ้องตายไปผูกค้อจะคล้องตายอะไนเ้ยมันเบื่อนายนาโทษะเพาะันบ่ถื อ, อเบื่อนายความหลงจะคล้องที่เคยลงม่านจาค่อถือบอกไปไซดมนันเกี่ยวมาหาผูฟั่งมาหาปูเทนี่เ้ยจับมาแชมันไปไสด์ม่นบ่ไปละ เกิดแก่เกียบตายก็มหาผู้ฟังผู้เทศโลกโพลุกก็มหาผู้ฟังผู้เทศเน่กาผู้ฟังผู้เทศบลจแผีตัมาละเห็นโทษจมผีตัวไหาเห็นโทษเอาละเออว่าอีบาง สคือพระพัจเจกทั้งหลายทัานที่สามคือพระหัตถ์ที่น้าทั้งหลายทัานที่สี่คือพระอนาค้าาคือพระอนาค้ามี่ท่นที่หคือพระสัพพคาคานี่ทั้งหลายทัานที่หคือพระโสดาบันทัานที่เจ็คือพระมหาเทระทั้งหลายที่ว่าท่านในโลกอุตระเบื้องอามู่ห้าทั้งหลายโดยท่านพิษพระมหาเทระพระเทระทั้งหลายเหล่านี้ ร่ากายกับสามวิชีกัมซีมโนกับสามอันใดอันหนึ่งก็ดีเรื่เดียพระมหาเทระทั้งหลายจงทงอสว้แกโม่เฮาอยู่ตรงมาบ่มีะมาณกับตะเข้าขาทู้นะพาพผลทุกเนวะตาสงสารนันกขาเถินในระวางเฮาทั้งหลายในท่ำพิษด้วยกันร่างกายกับสามชีกับซีมโนกับสามอันใดอันหนึ่งก็ดีมาในภพกรศาสตร์กรก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างนาคดีม่เฮาทั้งหลายเธวทั้งไตโลกทาธต่างายต่างหาโหัที่กแก่กันนกันยู่ตรงาบ่มีมาณ สาวตะเข่าเาสซเนานหน่วยเดยพระพุทธศาสนาธรรมศาสานะสังฆาศาสนาอันช่องพระคุณคาหาประมาณไม่ได้ชองมันโดนานทะมู้้เฮ้าผสมเจ้ความสุขขอมเจริญได้ว่าว่าพระพุทธศาสนาของวัชมะพระพุทธเจ้ายดทุกเมืองมงีประมาณสาวจะเข่าเขาสูคนจะฟานคนจากทุกนวตดทงสารตามมประสมของตนยึดทุกเมือมีประมาณก็อขาเถรอ้องจุให้ฮีปิเมฆคำิตบัง เอวังหอดเอวังหอดโยจปมะจิตตปาร์ปัจติโสมังกังภาิติอภมโตจันเมายะตราวังสตมังกุตเนะติโสมังกังภาิติอภมโตจันมาวัตนะสยตาังายะโนจตรธมวัานติอุวโนสุขังภลัง แล้ผ่าผ่าหน้าไม่หายทั้งใหม่แล้วป่ะโอ้โอนี่จะต้องเอาเลครเอาเพราายกวัตถับนาะหลายกวัตถ์นนมาทำได้ ร, ระเนส มามาดีดีดีดี เอวังโหตุเอวังโหตุโยจากุเบปมะจิตวาปะชาโตนปะมะจิตโซมังโลกังกภาทเสติภามุโตจะนนิมายัตสัพปังกตังกมังคุสเณนะปิยติโซมังโลกังกภาษเทติภามุโตจะนนิมาอภิวาชนะสีริสนิจังุทาปะจิโนจะตาโรธรมมะวันทันที อายุวัน่รู้ครหาดกระดหาไปข่ก่าสิวยก่าิเยอะเล่านระานเดยที่ใจอาปดสิี่ใจอาแปดาอันี่ใจก็อควงควเียงก็เสร็จแลกับยุกกันหลยหลายกับยุกกัคว กรกระใสจะรับก้นกเพาั้นวรางาพอย่าพวกเชองกที่กนอย่้นไหน้กแน่นนอ้อกรียบเ่อกันหนานน้่ดีแดีนอยดีกรเดียบข้นดีขนไอ จุ่มกู้มาดูท่านมั้งเลยท่านล่ะเป็ห้ังมหอกงล่นียวอาจจะแล้วแยัุ่สุดแล้วลงกู้ม่ลงเียผ้าใช่จัดแจจป้แจปนอจะกูลม อ้าวใช่หมคุณทำให้เขาโอ้เขาเรนชู้เขาไม่ทให่กคเาอืมดผู้มันเนาะผู้มันทยเาตวให้อแลเอาไเอาไอย่าาาว่าสา์แล้วใตายอข้ว่า้กั ไดจับพุ้นอะไปเอาไปเป็นท่าบาทในบ้านไปเอาเพารอตาย่อยเาจัดเท่าไหร่รุ่งต้องันเงี้ยันนี้ยห่าจัดเท่าไันกันง่ายแน่ี๋ยการต้องฟ้อไใช้เลยการมั่งกับไปจับพุ่นะรอการวยต่วเอาว่าเออกคัดออกนการช่กับเป็นจับพุ้นนะคัดออกคักันต้องตายกับคัดอกแล้ว เขาเขาเขาเอาองคัดออกแมเป็นตักขนาดนาทาบว่าเขาคออกม่ม็น่มเป็นสัมภารานน่องทัมภารานผู้ใดจะพูดอจะพูดอีกจำไัดออกวดเาอาไว้ถ้าบอกเป็นเจ้าตอดจ้กวก็เปีนเจ้ากว่าเอาไว้ลก็เปนเ้าออก เรือมาจะขนายังโอ้ข evet> ับใช่ปะว่าฉ <No ันโทรว่าแตันโทรโรโทรฉันจะดีขึนแน่แต่ว่าคนตาคนตาคนตาลานแแดินกแบกเัิน้อเน่ ข้อความายปจคอนครับีเก้ช่ยดบพอดีแีอีเ็า้รร อย่างที่มายัะงแสนมาวัยทหทารนัสสมานามัะเาวราราชสามมาสมบูัน เทเรถ้ามาด่าใคร ยืรตังทังกัปารังกรันเเอเลานนวานัยรตังังังันเพระเระสัีน คือพระสมาตสมบัติเจ้าสันที่สองคือพระพเจกสันที่สคือพระล้านตาชีวนาศสันที่สคือพระอนาคามีสันที่หคือพระสักทาคามีสันที่หคือพระโซดาวันสันที่เจ็ดพระเทระธรรมดาเบื่ออมูห้าทังร้ายในตำปีเพลนโดยกายกับกำสามว่ากี่กำชมโนกรสามอันใดอันหนึ่งก็ดี ด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายแล้วนั้นจงสงบโทษให้แกโม่เฮาอยู่ทุกมือบ่มีประมาณทนทชดถ่ายโม่เฮาจงประสบจากความสุขความเจริญแม่บอกว่าเราพุทธศาสนาเขาประมาทสัมพุทธเก้าอยู่ทุกมือบ่มีประมาทก็คาเทือนแมระว่างโม่เฮาทั้งหลายต่างคนต่างแต่ทําเพลิดเพลินกายกับสามว่ากี่กําซีมโนกับสาม อันนี้อันนึงก็ดีมากในปกก่อนกก็ดีปัจจุบันนี่ก็จะมีจะเป็นไปใน้างหนาก็ดีหูวเขาทลายจงให้อโหสิกรรมแก้กันและกันเนี่ยจงอาบมีประมาณตัดตเถาขอตูภาในพานคนจากทุกในวันตาสองสามเน่าบมีประมาณตัวาเถินเอาห้างตรงนี้ี่เป็นเมเขานี้สบางเอาขม่านี่สกก้อนหนึ่คนตกคนตกบนขม่านั่นฝนตกตะมแน่นน่อยระวังาม่าพี่โตมากขม่าให้ทีน่อัดขม่าพี่อัดขม่าพี่ อ a ์คาวพี่อร์คาวพสมังโรกังปะปาเจติอตโตันติมายะสัปปังตังกัมมักุสเลนะปียโมังโกังปาเติอตโตยันติวะอภิวาทานสีริสานจังุาปชาญนจัตตารธมาวัันติอายวันูสุขังพรัง ท่องทิเที่ยวมาสามน้ำท้ำบุญบะมันเสมาด้วยควอมเอามือเอาเว่นเอาปีเอาเดือนเชื่อเมื่อใะนสีมาเป็นเพจเฝ้าอยู่ในโลกอันนี้เชื่อมาสร้างกุศลคุบุญใช้คิดใช้ใจของตนมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเมื่อบุญมันหนาขื่นพราแห้งแล้วบาปมันก็เข้าไปใกล้เ่ราะใเข้ากับเขาสู้พันธ์พานนี่นี่บุญเข้ากัยังบ่ท่านพ่อนบาปพ่ากระละบ่ท่านพ่อ เขาจำเป็นต้องเป็นคนบกพองเเป็นค้องท้องเที่ยวในวัฏสงสารที่คนบกพองบกพองในคุ่ควดีบกพองในกุศลสินธาตุเชื่อในวัฏ ส, ส, ส, ส, ส, ง, นนสงสารที่ข้นบกพองบกพองใแกุศลสินธาตุเสื่อในวัฏสงสารอันนี้อันไดมันสมประสงในวัาสงสารนีน่หนึ่งอยางสองหยัสงสามหยังมันมีจากแนวขนวันนีเป็นงชี่แนวที่สมประสงเข้าก็มีต่เข้าตั้งนาจิตสางน้ำทาบมุน ไปเท่าไรก็ไดน่อยเพื่อบวกกุญชลีเพื่อให้ถึงพนันธุพานจังสิสมปรสงค์ห้ามุคค้นภูจิสมประสงค์งแล้วก็มีทพละหาันจาพวกเดียวหรือพระสดาบันสกสกาขามีอนาคามีพันธุ์านพระสดาบันสมปสงค์ในสั้นตน้นมีหนทางถึ่เขาสู่พนันธุพานม่เกิดอีกร้ายศาสตร์อย่างไรกับบุตอย่างไรกับเจ็ดศาสตร์อย่างที่สามอย่างที่สองกสามสาสตรอย่างที่สามกับศ า, าสตรหนึ่ง เนี่พระอนาคามี่็เกิดอีกสามศาสตรพระสกทาคามี่เอิดเกิดอีกห้าศาตร์ก็มีเกิดอีกชาสตรเดียวก็มีแต่กมีหลายประเภทแต่ละประเภทประเภทต่างมืน่นต่างแสนต่างลานพระอรหันต์หนึ่งเขาสู้เขานม่พานาลเลยโมได้มาเกิดแก้แ็บตายอีกทรัพยโรกทั้งพวงมันที่สางกุศลชิ้นท่ามเพื่อไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยว่ามันสิมาสางเวน้นสางไข่โลกอันนี้เกิดมาโมได้มาสิมาสางเวน้นสางไข่ เกิดมาสามคุณข้อมดีมารดตําแหน่งมาลดอาวุธอาวุ ธ, อ, วธอันที่เป็นเมตต์เป็นพระอย่างลดมีปนานาธิบดีที่หน้าสาวเม่มุาสาวธุระเป็นตนลดอาวุธปดอาวุธอันปดอาวุธอันนี้วัชแนกับวัชแนนอนแหละบางทีก็ไปสักกิริชานบางที่ก็ไปเปรต อ, อสุรกายเป็นว่าถ้ารดตําแหน่งอันนี้แล้วก็มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก่อสวรรค์ เหลี่ยสายแนวพุทธระธรรมประสงค์มีขติเป็นสองบอมนุษย์กสวรรค์ตายไปแล้วบเหลี่ยมสายแนวพุทธพธรรมระสงค์มีขติเป็นสองบอ ส, บสัตวานกับเปดสุนักายหรือสัตว์นรกโขนเอวเขาพุทธเจ้าท่ายไแล้วเวลาของโมหเขาม่น้อยที่สุดเวลาหากินฮาใส่ฮาใส่กับกิเลสมาแก่ทุกขเขานี่หลายก็เวลาเขาถืออบรม บ่มนิสัยเพื่อจะไปมรรคผลนี่ยานมีเวลาหลายที่สุดเวลาเข้าทาสัวเข้ามา้นวอกถึงพระพุทธผ้รมโหสถมาเป็นยังสั่นเข้าจึงตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยแล้ลึกได้ลึกได้กวดีทีเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พิงทุกเามมีประมาณต่อถึงพระธรรมพระนิยสงด้วยเมว่า้สูติตะตีละย่ทุกเวลาพ้นแล้วลึกได้ลึกได้กว่าอธิษฐานด้วยยังสั่นตั้งสัตว้ยังั่น เพราะผู้ขาดจองขาดถึงพระพุธพระธาพระสงฆ์งมีธุระมันมีประมาณกุสนอื่นที่วนเกิดมันก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จเจริญมากขึ้นเพราะคิตใจทั้งพระพุธพระธาระสงฆ์ก็กบแน่นแล้วตาปลายชีวิตจะตามสร้างพลวัตกบมันฝังดีแล้วของลงเลกิกก่อนพระพุพระธาระสงฆ์ท่านดีนะสองสามสองแสนทีมันโนดเขาเอาลูกระเบิดปรามานมุโมทมลายแตกกระเจิงจิดใจทั้งพระพุทธพระธารมสงฆ์หามันเลิกต้องไปก่อนั้นอักโขอขังมืนมุม้ยแพชิมาถอนออกได้ คันฟังอัน น, น, นั้นเนียลยค่ะฟังบุญเนยยีไว้ในคิดในใจแล้าแต่คันอันนั้นเน่อนีนนะบุญก็บเ่เนยยีนน่ยรมผิวไปคือจังหนิ่วเนี่ยคือจังวาวเสียขาดเนีย่ยคฟังตงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนียนเลย่ละเ่ไปใส่หรอกวาวว่เสีอขาดเนี่ยนุ่นเ่อผิวไปตามร่มเนียกบมันดีละมันฟังดีละฟังในพระพุทธระรมพระาพาสงฆ์อ่ะเดือทุกฤติบุชา ต, ต่อ พ, พระาพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลย หลังซ้อนพระเอาเวลาเขาพันช้าแล้วก็จะค่อยให้มันพรนชาออกอันเขาพันช้านี่กับไม้ความว่ามันจะเข่าเป็นพิธีได้เข่าเพื่อตัดข้อมังว่นในการไปเที่ยวเวลาเข่าเวลาแล้ดูฝนมาจําเป็นจะต้องเดีเขาพันช้ายู่คภพแต่มาสามเดือนพวกเขาพรนช้านะครบแต่มาสาเดือนพันช้าเ่าขาด มีอันิสงส์ได้รับกะถิ่อการมีได้รับกรถินกับอานิสงส์กระถิ่กับอากาดการผู้เขาพันสาถ้าพันษาขาดรักษาอรุณบาดีก็ไม่ได้ได้รับกระถินน้ำฝนยู่แห่างไม่ได้รับอานิสงส์กรถินแต่ว่าไ่ได้รับอานิสงส์พันสาถ้าพรรษาขาดขัดว่าเขาพรนสาเนี่ยมันเป็นย ok? ังไงมันไปเที KP ่ยวเหยียบให้เยียบหน้าขาเจ้าทวีติบทว่าเดนยวนี่ฝ่ายนนกันแทบไปรียบเทบเมื่อพระนเรนบัญญัติเสนอ แศาสนาอื่นเขาก็ยังเข่าพัญศาอยู่วะท่านบัณฑิตนาพุดเพียงจังหวัดบรรยัพพันชาพระเจ้าพิม่สารโอ้ยเข้าค่อยให้มันมีเหตุซื่อหรอกวะท่านเขากังว่าสิบบรรยัิดูเข้อไห้ไม่มีเหตุซื้อมันมีเหตุะไรกับบรญยัพหรือนีต่อไปเขาตั้งใจปริวัดถ้ำสามสมควรของเข้าใครสิมีคอวัดยังไงกับพี่ชนาในเจ้าของข้าพระเจ้าเข่าพันศามาแล้วเนี่ย ตื่นคืนาวานี่อรับตีสองก็ดีตีสามก็ดีจริงๆขันยูดีไม่แหงยครับตีสามแล้วจๆยูดีไม่แหงอย่า้ขับเจ้าสิว่นอนามเสาอีกขับไเจ้าสิวาพระขับเจ้าสิารวนาะตามเส้ที่กําล่งของขับไเจ้าทั้งาเลยไปบินถบายอ่อาโมฮยูมันเสียเวลาจริงๆไปบินถวายกันขาไปก็ต้องพรวนาไปขากลับก็ต้องภรวนามาอ่าโมพันคอโมพันแนวกคอแขนกันโมันแน สีคุยกันไปคือนักเลงสีสีเหล่าเอามือคัดหลังกลับว่าไม่แนวเอามือคัดหลังในวัดในว่ากลับว่าไม่แนวขาบไม่สีฟันในวัดในว่ากลับว่าไม่แนวอืวคันสีแขีวสีข้างกันนั่งรงสะกอนจะไปยืนสีจะไปยางสีจะไปขาบไม่สีฟันจะไปเอามือคัดหลังยักษ์ขวมฟ้าบาดยักษ์ขวมกระโถนจะของเพชรวัด อ, น, อนี้ตื่นขึ้นมาให้พากัน มี่ขอวัดปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติคู่ว่าอาจารย์ให้พัดเป็นพัดเว่นกันเปลี่ยนกันหรือคำว่าพรายประจําให้พัดกันสิทิมไว้ค่อนท่ออนไม่ทอดไม่เาเอาบาตเอาทิวอันกันบ่ถือต้องมีผู้ใหญ่ผู้น่อยแต่ปลวกมันก็ยังไม่หัวหน้าแต่ซ่ามันก็ยังไม่หัวหน้าหน้ามันไปโยปลาโยเมืองสั่งหน้ามันก็นอนนูวยแล้กัด สร้างซุ่มอื่นก็นมารอมมันไว้รอมสร้างงาออ่าวนไว้เพราะญาติคนมาเอางา่าคำว่าหาเฮ้าหอยมูเฮ้าสัวนะขวาเขามีขอวัดปฏิวัติแต่หมดก็ได้หมดก็ยังไม่พวานาผ้าใต้ไปใมีผู้หน่อยผู้ใหญ่ให้ตัง้งใจภาวนาตามที่กำลังของไฟของมันพอมีทางบ้านก็ค่อยเอากุศลคนบุญนั่งผู้บวช ร, ราชการก็ดีผู้บวชแก้บาแก้บนก็ดีแก้บาสขีเหรของเฮ้าน่ะแก้บนขีเหร่ของเฮาน่ะเพราะนั้นมูเดียวกันหมดที่คนคนพวกคนละพวก หันใจออกแล้วพอเขาก็บอกว่าตายหันใจเขาแล้ ว, วออกก็บอกว่าตายซ้สำๆมีเวลาอยูใใ่ไหเฮาปฏิบัติสินธรรมของเฮาตามที่กำลังของเฮาให้พ่หาน้าพโทโทพทโทันพทโธะพามากเกิดมาแกมาแกมาตายพุทโทษพระพาสางบาปพระลบาปบเพ็ญบุญทัามโมสังโคขคือั น, นทโทษท่ามโหสโคนี่ในปัจจุบันนีจิตปัจจบุบันนธรรมของเฮามีทุกงงามแปดหมืนสีพระธามาขันกย์ลงมาหาจิตใจของเฮาอันะ ให้ท่านแหละก็ไม่ยุคคิดใจรักษาเพราะหน้าแหละก็ไม่ยู่คิดใจนี่ความดีท่าดีแล้วก็ไาอยู่ใจความชั่วท่าสั่วแหละก็ไม่ยู่ใจเพราะใจเป็นผู้ท้าใจเป็นหัวหน้าเนี่ต้องรักษาหัวหน้าให้มันดีพระสติปัญญาซึ่งเหนือหัวคิดหัวใจพรสติปัณณ์ญาต้องบังคับใจเพราะพระสติปัญญานี่เป็นเหนื้อเนื้อใจไปเนียทํามันกําลังหอย่างทัศน์ทาความเชื่อ ไริยะความเพียรสติความรับรู้ได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรับรู้อินทรีย์ห้าควารียคพ่อเป็นใหญ่ในจิตของตน เ, นเอาพัสติพอปัญญานะเป็นใหญ่หวังคับในจิตในใจปฏิบัติเห็นธรรมเพราะร่างกายมัททนุลเนี่ยมันเท้าวายที่ตายนี้จะเข้าอยู่มาโยมนุสโลกของเข้า ว่าท่านพอ้อยปีก็ไปซาผู้นี้หลายแ่มันเก่าปีสิปีเออแปดสบเก้สิอย่างนึงนี่หลายแตแต่เสมเเกียมตัวตายได้เสมอเลยตายค่าภาวน่าเดียวว่าตายเป็ีนตายบกผ้าค่าภาวน่าเดี๋ยวว่าตายเป็นเกิดบกผ้าวนาเียวว่าเกิดเป่นแกบกาวน่าเดียวว่าแกเปลนเก็บบกผ้าวน่าเดียวว่าเก็บเป็น บวชพระภาวนาเรียกว่าบวชแล้เปลนอุบาสกอุบาสิกาพระยินดีได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าภาวนาเพเป็นขันยินดีได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นอย่างมันก็เป็นพุทธธรรมสังขานุสติอยู่ในตัวละเนวงสันวะอสิบัญญติ่ปัญญมันก็เป็นในตัวละจิตของบุคคลพูดถือศาสตรนาพูธมันจะเป็นไปในทางบุญเป็น่วนมากใครเปลนไมไปในทางบาปเนี่ยเพราะอารมณ์ของมันเป็นไปในทางบุญเนี่พวกที่บถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ เธอบาปโมมียนบนมีพราะนั้นสร้างบาปที่สูงเอสูงเอสูงเอสูงเอือสางต้องใช้คิดใช้ใจของมเฮานี่หาบจะบาปนับมือสิต่ำลงเหมือนดังพระจันในวันขังแหมพอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดใจนับมือสูงขึ้นเหมือนพระจันในวันขางวันขังขึ้นและม่นกลับมาแหมอีกส่วนร่างกายทั้งขาทสิงปลายเป็นกเป็นเรื่องของกันนสิแก้เป็นกับเป็นเรื่องของกันนสิแก้เป็นกับเปนเรื่องของกันนั้นแป้เป็นเรื่องของวันของหยาที่เอาไว้เอาไว้ได้ก็ได้เอาไว้้ได ข้าพเจ้าถึงย่อมตายตอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งไปอีกนะสันทังเก็บเพาป่วยมากเนี่ยก็ต้องย่อมตายข้าพาว่าหน้ากินยาบ๊วถึอก็ได้ตายข้าพ้าว่าหน้าพุทโธไปเกิดในเทวโลกพวกมโรกพุทโธพ่อมาเกิดพุทโธพ่อมาแก่พุทโธพ่อมาเก็บพุทโธพ่อมาตายพุทโธสั้นต้นเป็นพระโสดาบันพุทโธสั้นที่สองมาเป็นสักขะฆาตขมีสันที่สามอานาข้เมีสันที่สีเป็นสักทะฆาตมีสันที่หาเลือนพุทโธจบก็คือพระลันค์หมายว่น สารณาคมก็เหมือนกันขจิตเท่าสูงกับสูงขึ้นดับมัดธรรมะจิตเทาต่ำกับต่ำลงมัดนะบอกองศาขจิตเท่าเหลื่ยมสายสัทธาในพุทธศาสนาสูงขึ้นเท่าไรธรรมะและที่เพื่อของเฮาขสูงขึ้นเท่านั้นเป็นเครื่องเครื่องอบอุ่นในเช่นในใจของเฮาคุณของพระพุทธธรรมใองค์ศา้นเป็นเครื่องอบอุ่นในใจของเฮาแนวอื่นมาเป็นเครื่องอบอุ่นเครืองทดสอบบาปบุญมันก็ไม่รู่เมื่อทิ้งไหนทำร่าลงไปแล้วมันเดือดห่อนทิ้งนั้นจะไปทำ มันเป็นบาปประมาณสิ่งไหนที่ทำรอบไปแล้วเน่ยเป็นที่สบายใจอยู่นั่นมีท่านวัดศรีวัดพรวนาวัดต้นซสิ่งนั้นจงทำเถิดบ๊อบพิษเครื่องทดสอบมันมีแล้วแต่เครื่องทดสอบร่างกายของเขากับมีอยู่ขึ้นกันแล้วหรือว่ายังไงสิ่งไหเป็นขวบเป็นน้ําเขาไป น, น้อนขวบน้อนน้ำมันรู้กักบบ๊อบพิธีสบายอ่อบอกฉันว่าคิดใจของเขากับขอ้นกันนั่นสิ่งไหมันนึกว่าเป็นบ๊อพิษเป็นที่สบายเข้าจะไปนึกวันสําหรับมุ มุ่งคิดมุ่งใจเาเหาม่หลแนยูนีน่ยวมันนึกมาเดือดห่อนเขาจะไปนึกวันสมบัติของคิดกูว่ไม่เพียงเท่านี้แต่เนี่วเมื่อดือห่อนไม่ยกกูไปยังจะมันนึกมากสันคำว่าสลาดดับสันนี่เมื่อสลับตัวนึกแต่เนว่ยวห่อนมื่อไสตัวสันกระดาบมันแน่ละบอกจะไปนํามันไรละบอกบอกสันนะนึกถึงคุณพระพุธะทธธรรมประสงค์เราไปเดือดห่อนเนี่ยกระตาไปนี่มันกติกาเนาะพวกนี้กะเมื่อมือึงเมือเต มัไม่เป็นเตะเสามานี่มาเหมยจะที่อหมืนนวรวมมันเหมือนอ่ะหรือถึงจะพัฒนมันสามอมัดมือละเหนเนีาว่านทีว่าหาผัวลาภีพลอยนทสาการเอวเมื่วโตตินังเปตาังอุปติชิ่ตังไม่ตั้งตรงกางคิมพะเม่วันข้าสู่พระนพาจะเปิดทางไหนเปิดเปิทางถึงใจคณคมเป็นงต้น ก็มีหน้าโมหน้าไปหน้าพลถึงพวกพุทธธรรมผส์อยู่ทุกเมื่อมีมาณไม่ได้ฝืนถึงเพียงพุตธิปติเท่านั้นจะรึกได้ได้ก็ดีผูกขาดจองขาดแม้ว่าพุทธธรรมผส์อยู่ทุกเมื่อไม่ Lau ไมีขมานเจสฎาปราีทัพยนูเ็ได้สานัปราีทัพยนูผ่นดินน้ำสสูญโรดเอาเรื่องระเบิดประมานทํางไระเิตใจถึงพุทธธรรมผสมแล้วจะทำลาย ไม่แกรกเลยนี่นมาเข้าใจว่าสรรารสราอื่นคำสอนอื่นเช่นเนื้อคำสอนพ ร, ระพุทธศาสนาไป mm hmm. เหตุนั้นจึงพอใจยินดีใ น, นพระพุทธศาสนาทอย่างเต็มใี่ใจะมาธิโอหารไปสักอย่างไหนเราก็ไม่เชื่อจะไม่ดับแปลงไม่นักที่อื่นจะเหนี่ยวพระพุทธศาสนาไปสักอย่างไรก็ตามเราไม่ยอมเชื่อเลยแล้วเขาขับไปเฉยๆแก่ใจเขาเราห้องเราไม่ลย ขอแก่เราหากั๊ปทักเอออไปแต่ใจของาไม่ลงทูตขจจันโนมีชิ้นห้าบริบูรณ์ภาวนาไป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเล่าก็ได้ขอให้มีชิ้นห้าบริบูรณ์ขอให้ถึงพระพุกธธทรมประสงค์ตาบเจ้าเขาสู่พระนครจะภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ตามแต่ว่าหลวงระหมดชิ้นห้าอยู่มันก็ไม่ใช่ทุตขจจันโนเนอนั่นเล่นอบายยมุขอยู่มันก็ไม่ใช่ทุตขจจันโนเนอนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามจะชั้นผัก ฉันอะไรก็ตามจะไม่ฉันเนื้อฉันปลาหรือจะฉันแต่ข้าวเฉยๆกับเกลือก็ตามมันก็ยังไม่ถึงสุขจตป์ปนโนเน้อเพราะยังยินดีในศาสตราอื่นอยู่ยังยดียินดีในรัฐที่อื่นอยู่ยังยินดีในเร่ออบายยมุกอบายยมุกีดขวางสุขเจตน์นโอเน้อพวกหลอกหลอนอยกจะทำเน้ออบายยมุกีดขวางสุขจตน์นโอเน้อ บางท่านบอกว่าถึงชุจพัฒนโนแล้วชุดจัฒนโนอะไรไปเล่นเรียบเลผาอยู่ไม่ใช่เนอะแต่เป็นเสื้อเขาเนอมันเป็นทางที่สายดิ่งลงไปแล้วมันถอนได้ออกแล้วจะถอนให้มันมาเป็นทางเจริญมันไม่มาสิ่งไหนที่สายออกแล้วสิ่งนั้นไม่ต้องเอาขืนมาเั่นน้ำรายที่พวดออกแล้วไม่ต้องเอาขืนมาท่านในก็ดีเรื่องอะไรมุกตดีเรื่องสิสาสตราอื่นวัคทห้อื่นก็ดีเหมืนกัน จะมีนักที่ไดๆมาแทนสักเพียงไหนก็ตามถ้าเป็นเคลียรพระพุทธศาสานาเราก็ไม่ยอมนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นดีจริ ง, งจะมาแอบอ้างว่านักที่นันักที่นีดีสักเพียงไหนก็ตามเถิดไม่เท่าพุทธคาสงฆะพุทธคสมันดิอย่างนี้เป็นดีนของชาวกไม่หวันไหวไปสักนักที่ ใ, ใดๆนักที่ไหพระพทธเจ้าองค์ไหนมาเขามาบัญญัติเดียวคำพรกพทเจ้าองค์ไหนมาเขามาบัญญัติคเดียวันตรงคำเสีย ง, ง, งเลย ในเร e, ื่องนั้นตนไม้ต้นหมูก็ชักพบพวกตั้งพรลใหม่พรลบใหม่พระราชบัญญัติอันเดียวเท่ะนั้นข้อบัญญัติตามอริยสัจความจริงตามอริยสัจนักที่ของชาวโลกเตรียมเตรียมพระพุทธศาสนาไปมันก็ไปนรกพระพุทธศาสนาสอนทางชาวโลกสอนทางชาวที่สืบสมเงเนีลยที่สืบสมเหตุก็กลับไปในชาวโลกแล้วจึงสอนศาสนามาสัพชัดเดียวมนแสดงณสมบัติของเกรเราในศาสนาจนการบ้นการเมืองวุ้กทุบหมดแล้ว โากเท ว, ลเวลโลกมโลกมารดโลกพระุทษาสนาดิงเอย่ังใี้พุทธาสนาศาอนเอียงเขากับังาสนาอะไรทั้งสิ้นนักเทียนอื่นรับกปุมเิ็ดที่ไหมตอนนี้ำประกาศป็นกว้างใส่ภูเขาชีชนีโนานาภูเขาเชนอะไรแล้กวก็บวกน้ำลายจะฟามันก็ไม่ถึงคใครจะพูดจนน้า หลไฟดับกอต า, ามก็ไม่เข้ า, าพ้เ็นเกีย่ยวกับพระุทศาสนาตอนั้นรอดอ่ะอนักที่ไหนก็ตามเิดใครจะประเสริฐเรื่รง่ำเหนือพระพุทธศาสนา ต, ตไไอนนั้นไหรอกัที่อย่างนั้นนัที่อย่างนี้เราก็ฟังได้แต่ว่ามีเครื่องที่จะตัดสินอยู่อว า, ายะมุกทุกประเภทที่ปฏิบัติทั้งทั้งเล่มและตุจตาธํมกิเล ซื้อกำเครื่องสมองสี่อย่างฟันอาสีบาดคำชีวิจารที่โต๊อธินาทานซื้อเอาสิ่ของสี่งขอมาให้โดยต่ช า, ช า, ชาัรามีสุขชาตางมีผู้ิในกลางสีมุสาวาตผู้เช็ดกําสี่อย่างนี่นักป่าเป็นสันเสรินเลยนักป่าในที่ไม้เอาทื้อไปเปันโนโอตลอดจนเกียดตัข้ามทางานในโทษทุกมักให้อาานเอานักลอนักเกียนนักเฉียงนัก่าหายนักนั่นหลักคุมของพระโสดาวันไม่มีไม่ได้รวห เขาถืว่าอบายมุขทุกประเทอะมันดึงไปทางมนุษย์วิบัติเต็มภูมิเลยแต่มาปัญญาได้บอมนุษย์สมบัติจากที่อย่างไหนจะล่องตะโกนอยู่วันยังค่ำมันก็มาเป็นไปมนุษย์เอุทธศาสนาทายไปแล้วลายขรั้งเดียวทายชิบหายคำเดียวเท่านั้นกูอ๋องเจริญแล้วก็ขัดทรัพย์จเล่นเหตุเรื่องชิบหายเหล่านี้เสียนั่นผู้ที่จะพอใจฟังก็คือสุจิตตโนเท่านั้น ฟังออกนอกนั้นฟังไม่ออกเพราะเหตุใดก็เพราะกรรมของเขายาังผูกมัดดักดึงดเขาอยู่แต่พระคมเห็ให้คนตาบอดไปสนเข็มมันก็ชนไม่ได้ก็กรรมเขงมันยังตาบอดอยู่คุณจะทำได้แค่อย่างเรามีกรรมแต่เราพยายามฝืนที่จะทําความดีเลยค่ะได้ก็ <c oughs> มีกรรมอยู่ทุกท่านทุกคน่จึงได้มาเกิดก็ต้องฝืนทางความดีที่ใครก็มีอยู่ทุกท่านทุกคน ถ้าจับอาการมบุญตามกรรมรอยน้ำไาวน้ำไม่กวดมันก็จงตายกรรมบุญตามกรรมเถิดขึ้นขีเรือก็ไม่แก้ไม่ไฟมันตายที่กมบุญตามกรรมเถิดเถิดแล้วกันงอกรองน้ำนะสุมันก็จงตายแล้วไม่เอือกวัตามบุญตามกรรมบุจรับเราเาตัดไปแล้วที่นะ เพราะฉะั้นเรต้องไปละถ้าเราไปก็ไม่ต้องกับคนตางกรรม <c oughs> มันก็ต้องฝืนเพราะเราถือว่ามันเป็นทางจเจริญเนี่ยมันก็ไม่เราก็ไม่ถือว่ารับทางลำบากเราจะถือเป็นทางลำบากแต่ว่ามันเป็นทางที่ถ่ายถ้ามันจเจริญเราจะไปถือลำ บ, บากทำไมนั่นถ้าจเจริญเราไม่ถือลำบ เราก็้าถือเป็นของลำบากแต่ทางคนที่หอยค่าตัดตัดชีวิตกูกันทั้งมมีเรยไม่ pay ทำไมเรา จ, รงจราึงจะคอยคอยใจเราถึงจะละยากเพราะเห็นมัเนเป็นมีเรีนไม่ p จริงเราจรึงไม่อยากค่าตัดรักค่าตัวธุรกิจในกรมเราไม่ใช่ได้อยากทำถ้าเราเช้ได้อยากทำอย่ันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สุดวิสัยทัศน์เเพราะสิ่งที่มันชั่ว เราไม่เสียดายอยากทำถ้าเราเสียดายอยากทำสี่ชั่วอยู่ก็เรียกว่าไม่ใช่ชุตนะกัโนโน่งโนนะสถานีชุตะกัโนอยู่ในอุ้ง น, นี่แหละครับปุชุ ย, ยะรัสถานีที่ก็เปิดประตูไปในตัวเลยเพราะคนทางอันไปนั่งสถานีที่หนึ่งชุตกั่โนสถานีที่สองอุชุสถานีที่สามตัวยายะสถานีที่สี่ก็คือรหัสแล้วก็ไม่ตีตัวกับเนอะรี่นี่ส่องชูเในปานนั่งสถานีข้างนอกอเตีตัวกับอยู่ ส่านี battle, <S <S <S <S ้กิลสทนี้่านี้เนี่ยก็ว่างไงท่านน้สุท่านนี้รวยกุศลไงผู้เรือกใช้ก็ผู้เชี่ยาญสนาก็ใช้ตโง่คนที่สร้างบ่อนี้แก่ตามดแ้วคนตาบอดจะมาลงคนตาดีต้องตกวงมาได้พวกที่เรือกใช้นี่ยผู้เชี่าญสงฆนคนตาดีตาตาไม่ได้ตาแฉะตาฝาตาฟ้าตามัวจะ่มาหลอกลงให้คนตาดี ปิดคนทางเข้าไปในป่าครับป่ารึกมันก็ไม่ไปพเพราะมันใช้นทางเลยครับนี่น้ำท่วมเขอหัวร้อทมแล้วนี่ตายจะเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมากก็ไม่เห็นนักทรายท่ามาหาสมุทรเมือ่อโกรธมหาสมุทรก็ตามเราม่หนีจากพกระพุทธศาสนาเราลงทิงขนาดนั้นเลือดฉุดเราจะบูชาพระพุทธศาสนาในทุกงาน รถได้ไมได้ไไดไไดดดก็ดเขาให้เาราทสี่รถเดียวรถเดียบย่ำถนนมนหลคลายนะำมลงใน้าคนละกายถ้คนละวาจาถ้าคนละใจาของเราอยู่ทุกวันนสบาโหถึงหานะโตายขึงนานนสบายใจปัญหาของเราก็ไม่มีเาเือกใช้ลำธิบก้าคนทคนานราเราเกมาอนอย่างนังน้นอย่างนี้ตื่นเพราะว่าอะไรว่าเออแก็เป็นไม้ลอยน้อะไรอย่างเงี้ยป็นน่น ปลิวไปตามลมลมพัดเรที่นันก็ไปเลยไม่หนีดิ่งไม่มีดิ่งไม่มีดิ่งจิไม่หนักในเพราะเพราะธรรมประสงค์จิหนักในเพราะเพราะธรรมสแปลว่าบุคคลผู้มีกัญญาร่อมรู้จักสิ่งที่ควรเคารพและควรเคารพร่อมรู้จักสิ่งที่ควรนับถือและควรนับถือร่อมรู้จักสิ่งที่ควรเลื่อมใสและควรเลื่อมใส เรืรู้จักสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติพูกท่านทําอาชีพบนสูงแต่ว่ายังมีในสายศาสตร์อยู่แล้วก็เถียงว่าอย่างนั่นดอกหรืออย่างนั่นดอกหรืออยู่คนชิดดีมากอย่างนั่นดอกหรือย่างนั่นดอกหรือเราเถียงอย่างไรเพราะว่าภาวนาเก่งก็เถียงไห้ก็ตามถ้าไปซื้อเหลืดีงามดีซื้อหวยซื้อเบอร์อยู่แล้วเราก็อย่างนั่นดอกหรือนั่นดอกหรือ ถ้าภาวนาดีเก็ต้องเห็นสวรรค์สิเขาเห็นแล้วสวรรค์เขาเห็นว่ามันไม่กี่ลังยยืนผมผมเขาเห็นแล้วเขาเห็นว่ามันไม่กี่ลังยันยู่เขายินดีต่อพระนิพพานสิ่งเดียวแต่ว่าเขาไม่เห็นสวรรค์หรือคนไม่เห็นสวรรค์เขาก็ไม่ยอมใจย็นดีในพระนิพพานสมัญชัยจักถูจักถูเขารับครอบแล้วปัญญาจักถูจักถูปัญญาของเขาหนีแล้วเขาข้ามทะเลหลวงของเขาตอนนี้ไปแล้วหลงติดอยู่ในอนิจจังข้ามไปแล้วหลงโลกเขาข้ามไปแล้ว เขาย็นดีะนะเขาเนี่ยพานสิ่งเดียวปฏิบัติน้อยเเาะปฏิบัติมากก็ตามเขาก็มีเจตนาสิ่งเดียวดิ่งเท่านั้นไม่มีเจตนาหลายสิ่งเขาจองคิวสิ่งเดียวเท่านั้นความประสงค์ก็ดีความจองคิวก็ดีความต้องการก็ดีก็ ม, มีข้อหมายเดียวกันบุคคลท่านกล่าวว่าความต้องการเง็นความกิเลสมันมีกิเลสอะไร่างนะั้นพระพุทธเจ้าสร้างบาลงังยามาเข า, าต้องการเพระพุทธเจ้าเขต้องการแค่ก่อนเนี่ยเป็นหลักแค่ก่อน เงินมันพอแล้วเขาไม่ต้องการครับมันพอแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าจะต้องการเงนินพระพุทธเจ้าไหมไ ม, ไม่ไม่ต้องการแล้วพรมันพอแล้วถูกไหมแต่พวกเราไม่ไม่ยังไม่พอมันก็ต้องการสิเงินมีตางเดียวสมมติตัวเราเป็นเศรษฐีมันก็ไม่ถูก <c oughs> ถูกไม้ม <c oughs> อ๋อพูดมากจ้ะเออเอารบมานม่มีสิ่งที่ปลาลดดอกตั้งใจปฏิบัติจ้ะ เภาวนาพุทโธเขาภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธจนถึงอนัตตาคุณคุณที่ไม่เคยไม่ดับคุณพุทโธก็เป็นของว่างเนอะว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นพุทโธธรรมโอทั้งโกเป็นของกลางเป็นของว่างของว่างก็คือของกลางมันแก่ของจะเป็นค่าเป็นท่าไปอยู่กับคนในคนหนึ่งเป็นของกลางกลางอยู่ชนดินหน้าฟารงปมังกรก็เป็นของกลางกลางอยู่แด้แต่ใครจะเดินไปเดินมาไม่ยอมเป็นของใคร พุทธธรรมสงก็มายอมเป็นของไทยเป็นของกลางโลกอย่เป็นของชาวโลกคือจะต้องประสงค์ชาวโลกไม่ต้องไม่ประสงค์เพรเป็นเรื่องของชาวโลกพุทธธรสงพุทธธรรมสงฆก็ไม่ได้มาทำอันตรายใครก็ถือได้ไม่ถือพระศาสแต่ว่ากรรมในผลของกรรมมีอยู่เนอะนักกรรมในผลของกรรมยังช่วยพระพุทธศาสนาอยู่พราะพระพุทธศาสนาจับเอาแล้วหลักกรรมในผลของกรรมบรรยากากรรมอยู่ด้วยา สถานะอื่นเขาบรรยัติกำไม่ถูกกที่เป็นบาปเขาบรรยัตริระบุนซะเส้นฆ่าตัดไปสวรรค์เขาบรร ญ, ญัตริระบุนซะถ้าเขาจะฆ่าเราไปสวรรค์เราไม่ยอมถูกไหมนั่น เ, เ, <c oughs> เ, นเนนท่านั้นพอแล้วเพราะนั้นพอแล้วยังมีในธรรมชนะธรรมยังอยู่ทั้งัวอารมณ์อยู่กับพระพทุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คือสบายอารมณ์มาอยู่กับพระพทุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ที่เป็นเชี่ยนเป็นหนามเบียดเบียนตนเองเข้าใจไหมอยู่ด้วยวิธีไหนประจำอยู่กับพุทธคุณธรรมพระสงเป็นเทศวาของเราเลอาเราไม่แห้งถึงจะนึกคิดบ้างก็ไม่ถึงกับนับคิดไม่ลุกก็ต้องแก้ต้นได้ถ้าถึงว่าถุคุณธรรมพสงฆ์ถ้าไม่ถึงวัตถุคุณธรรมพระสงฆ์เป็นรักแล้วถ้าไปทางผิดก็นับคิดไม่ลุกเน้อไม่มีประตูแค่เน้อถ้าตกเหวก็ไม่มียาละ ไม่ได้เอาไปถึงโรงพยาบาลเอาไปเผาเลยวันนี้มดวันน้เราปู่นับอยู่เขาปู่เบืองใช่ไะคะมดูงตา เ, เขาอะไ่านย่างคุณเขาปนมาตามธรรมดาของเขาในวันทิพร์วันเสาร์แต่ก่อนเขาเป็นคนมีนดกแต่ว่าต้องมีคนมาในระหว่างที่หน้า ม, มัน มาสะดวกเนี่ยแะแต่ก่อนก็ไม่ใช่มาใครมีใครมาเพราะหน้ามันไม่สะดวกขนถาวนก็ไม่สะดวกอันนั้นจะเป็นของคนอื่นส่วนเราเราก็พินาไปเก็นกลางๆนะเราไม่รัดเราไม่ปัดนี่เป็นเรื่องของคนอื่นอะเอออันเดียวกันไม่ใช่มเดียวกันไม่ไเดีวกันมีโรคเป็นตัเวลาภาวนา ก็จะต้องเลยเรื่องๆคอมีวร่วงตัวนีนันมีตัวมีตัวมีกลัมีวิะรก็ตามมีอุะไรกามไม่้โรคนตัวมันกัวตลอนานมันต้องมีแต่ความรักในภ า, าวนาของเรามันมีอนนานาจเก่งกว่าความที่จะมรอรบกวนศรัทธาของเราเป็นของสาคัญจะมีอะไรมารบ ก, กวนก็ตามเราจะไม่ยอมหนีจากภาวนาของเรามันก็ชนะมันก็ตั้งเองเจ็บ อภัยก็ตาคพอลงเท่านั้นหมดเรื่บริกรรมเนี่ยว่ากรกับอยู่ไม่ได้กรรมภาวนาพานาในบริกรรมอุปการละภาวนาพาวนาในอุปกาอัปปนาภาวนาเภาวนาในอัปปนาบริกรรมพอครบถึงอุปการละภาวนาอุปการละภาวนาพออัปปนาภาวนาพอแล้วก็ับพิจาาอันนี้ตางทุกขรังอนุตตาก็ได้เลถ้ามันถอนออกมาถ้าไม่ถอนมัก็เลไปมันก็ถอนหมดําลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกัน ก็มันขานบางเชเน็ี้มันเข้าไปพัดก็นีปุ๊ บ, บก็มีพับก็นีแล้วแต่จะฟากดไครจะสมมดเอาสมมติที่เสียงอะเวลามันออกมันก็ออกแบบเดียวกันอันนี้แบบหนึ่งแบบหนึ่งมันเข้าไปแบบไม่รู้เลยเรียบเลยเนียบ เ, เนียบๆหูต้องไม่ได้ยินมีแต่ผูลูกมีแต่ผูลูกอันเดียวอยู่หมดกําลังผสมมาแนะครับด้นอย่างมันเข้าไป อย่างมีแสงสว่างนี่อนั้นมีมีมีเทวุเทวดามีพวกมีคนมีดวงอนั้นดวงอนี้ดวงเชียวเชียวขาวๆดวงเออแก้วมันนี่หรือแก้วอะไรสารแบบนั้มันจะเกิดมามันเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วหายไปมันก็สอนแสดงให้เห็นอันนี้จังมันแสดงอันนี้จังให้เราเห็นสีไหนเกิดแล้วก็แสดงมันก็แต่ควรใด้ดับอย่างเงี้ยมันไม่พ้นอันจังทุกครั้งเลยไม่ก็ถ้าเราไปติดแล้วก็ทิ้งอาจารย์เดิม อาจารย์เดิมคือคำถามเดิมของเราทั้งว่าเราก็จะไม่ต้องทิ้งอาจารย์เดิมจะไม่ใครมาหลอกมาหลอนไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องทิ้งอาจารย์เดิมใล้ค่ายกล่าว่าวิดาของเราเราเคารพหน้าผือแล้วใครจะมากล่าวมาตู่ว่าวิชาเป็นวาของเราไม่ดีให้เราไปครพ่อหรแม่ใหม่ซะเราก็ไม่ไปลกก็ท่าหอนอย่างนี้อาจารย์เดิมอาจารย์เดิมก็คือศีลเดิมก็คือสมาธิเดิมก็คือปัญญาเดิมก็คือสัจจะเดิมของเราที่ต่างว่าอย่างเดียว ก็คือชิ้นสมาธิปัญญาเดิมของเราที่ท้างเดิมก็คือพุทธรรมสง์เดิมที่เราทาไห้อย่างเดิมเราอยากไปเข้าใจว่าอันอื่นอ๋อใบตองนะใบตองอะไรอ่อง้าักเนือ็งแข็งก็ได้เงินปีเงินปนเงนรักไทยรักถอนซ่ารักผัดเงอนข่าสักสักที่เงินเหลียงหมูเงียงเหม็น เงี้ยให่มาบริสุดมันจ้างได้บุญหานาเงี้ยใหญ่ากบริสุกธบอได้บุญนะนันคล้ายๆเขาว่ารับ ข, อขอบอ้อโจ ด, เ, ด, นดเนี่ยคุณลักษณะฝากบอกหนเออเอออการทางวัดการทางวัดให้พี่สุจะม่เน้นเท่านี้บรอยู่วพวกนั้นแต่ฟามโอ้ขอจขอจัขอจับพวกแมงดานะี่ยนะ ปรกอบเป็นตวแ่นี้เออโอกบวัระเปไงล่ะค่าขายเครื่องป่าค่าขายมนุษย์ค่าขาสัตเป็นเนียสัที่ตัวข่าวเป็นอาหาร่าขายน้ามอค่าขายยาพิษมันผิดเม็ดแฉวานิจาวคือการคาขายในช่อชาวยหนึ่งค่าขายเคระ่องาสัตร์อาวุธสองค่าขายมนุษย์สามค่าขายสับเป็นลยเนื่สับที่ตัวข้าวเป็นอาหารสีค่าขายน้ามอค่าขายยาพิษการค้า ฆ่าหายฆ่าขายห า, า, าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกได้ประกอบสมบัติของชาวโลกฆ่าประกาศประกอบเรืเ่อสภ า, ามีชี้นบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชือ่อคําไม่เชือเ่อมงคลไม่แสวงหาเศษบุญนอกพระพุทธศาสนาบําเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติฆประกาศและเวื้อจากในบัตรฆาประกาศซึ่งตรงงานข้ามพระพุทธเจ้า ว, วานี่พระพุทธเจ้าบอกขอขางตัวบอกว่าว่าเาทเป็นสิงห์ไม่ได้ขอขังตัวเขาทเป็นสิง วของตั้มดาเปินของดิงพูะทเจพูดตาดิงเนี่ยเป็นธรรมะที่พระไกรและารพระที่เจ้าข้าาพระพเจาอกเป็นโรคขาที่พรไตรไปตามลกเนี่ยไปตามพวกกเนี่ยไปตามพู้โมีเกเรตเลยเอากูมิเกเลตบ้านูตธรรมะพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาลงร้อยกันวดทำข้าวสารพระโอษฐดสงดาวหอนนองนีมาจัดไดศาสนาอื่นขอชันกันแขงสามาสิพัดได้อร่อยผลที่สุดกันที่สุดกั กำเนินผู้ทักหินกำกำเนินพ้น้องกำเนิผู้ทักหินอยู่ฝ่ายข้างนี่นี่ตวกรูดตัวไปละตัวกรูดตัวพ้น้องกำเนที่สมบรเป็นตวกที่บางเนาวกรูตัวเท่าไมันคือย่งตรนื้อคุณะครับ้นหินน้ื้อมากเลหตุรืงนเี้เยหตุงว่าต่าแต่ห้าวห้าวเยังกรูตัวหอบเหื่อยกาบกไายเหื่อยยงลกเขาห้องเขามาพาดหน้าหรอกเาน้อมนอมสํา้อ พอดปฏิสีโมโต้เลยทอดสีสะก๊อกทอส่วนลูกขั้น ม, มันเคืเ่อนเองเราต้งงาแหน่เขาหที่หไปเขาทอแท้ใจหลวงเขาบอกว่าก<อ> า, าราที่บอกว่าทาดีได้ดีทาช่วยอะไร่วยไม่ได้อคนทาช่วยดีเ น, น, นีกก่ยมันทำดีแลกลับปส่งชือกทว่าจะ่งเชือกน่ หมอมานเป็นรักษ า, านคนไข้แต่งงคนไข้เยงะทีนี้คิดว่าเนี่เราก็ยากที่นอกระเอามาดาตามในวที่เปนที่อที่วา่าเยะมากโอ้โหเพราะจะต้องเป็นเว่นกันกับเขาจะสารกรกรราา่อคเขาจะสากน้ำสินตามนีเพื่ฮเป็นเว่นแล้วพอจะสากก่อนห่อเคยเด็กชายเขาพุณจะสากน้ำสินบางเด็กคน เ้้าสางดีไว้สัตไดมันก็ดมดสัตนั่นของแมน่นมันนําไปอีกทุกสตัตทุกพวกเขาสางตัวสัตไดมันมัดสัตนั่นของแมนน่นมันก็นั่ไปอีกต่ันวนนี่ําพันเนี่มันพันกันดู อ, อ, อุอ้ม่อุ้มไปนํานี่้เห็ดดีมัวว่านนี่ยมันก็นั่งมาหอดมือนี้เลยข้อเห็ดตัวผมวามันก็นั่มาหอดมือนี้จีวาเลยอ๋อของเสียหรอของตำ่ำผนของเห็ดตายไปแล้วมันจบไปใครจะบอมันก็นั่งไปอีกสัตหนายู่ เ้าเขาน่ายบไม่แด้เราเพัฒน์มันก็ยากฝันไปสักวันเดเดียวตายแล้วแม่้เราไม่ร่ำรวยทั้งศาสนาไ่รําไปอย่ตายเล้วมีแตเกิดท่านตายเพะเกิดดวงนี้ไม่ไงทัพลังานมันมัเกิดเป็นัพเจ้สร้วงเกิดเปรนเอื้อ่ากายบันเกิดเป็นอะไก็ต่องเกิดเป็นนี่กับัเกิดที่ทำรับไปในโลสิเดี๋ยวเขาไปเกิดในโลกไปสับฟับสวัรเดี๋ยวเขาไปเกิดในสวนรค์มัาจะเป็น เทวุธเทราผู้เิมนกิเดียวก็เกิดเุทวราัอ่พมนัเกิดแม่โรกแน่โรกบุเรเกิดแน่ขั้นไม่ได้เกิดแนใครไม่ได้เกิดแน่เทาในใครเกิดพุทธเป็นจนเปตัวหนัแต่ชววันกัท่านัชาวัโยนี่สี่ไูเกิดใน่ขันแน่ใครใน่เท่าในใครจะเกิดพุขึ้นใครตัวนี้ไม่มีบจะรอดหใครเมือใครอย่างี้จะรอรอเร่งไมจริงบอก เร่้ย็นบอกร็ต้เราต้องไปอันน้เราื่มันเ่ควใครผู้ใดอาอะไมเนาะเราเืองเนอันเนี่ยมันก็เราเรื่องเน่การดัดแปลงเกสาเป็นวใจอนดีไหมคะอือตวว่า่คที่จะมันกอาแต่ต่ว ก็เป็นเราองเององเลาบุยังนให่งยงประาว่าสอนพระนมอย่างที่ยังแบบคนวัาเนี่ยเเราแบบไ่อาปากรรักเขามองออกสาย่่านพราสอนแค่นี้สตีเลยเนอะเพราะว่าเขาจะพระพุทธเจ้าองค์กรก็เป็นในสัมมิวมันเป็นในสัมมาก้าพระพุทธเจ้าทุกกพระองค์นี่มันเป็นจะเป็นมันยัดกันมากนะครับ มันยัดตามท่าม้าที่ปะใสที่สืบกันมาเนี่ยศาสตพระพุทธเจ้าพุทธนี่ยว่ามันตั้งองค์ตั้งสิ่ตั้งหิน่้ายตั้งกันเนี่ยพระพุทธเจ้าใจรู้ของมันแล้วในทีน่งมาพยายู่จะบูการเลื่องบัตรบุตรที่จะใหทิ้งพยายามจะอาบนี่เราจะอาบมั่งตอนแกนว่าอะไรก็ไม่ไดแล้วมันเรื่องจะอาบจะอาบนันก็เป็นเป็นเรื่องของอันนั่นก็เรื่องของอัน เุค้ขขาพยาบานีในตั ว, ว, ว้เป็นเรื่องว่งาคับคามสะนส่วนนี้เป็นรื่องันอย่างคร้งแล้วล่างฟากพอดีมีกินอาหารอยู่เมีกินอาหารลางากไม่เข่าพอไีฉันเข า, ข า, ขานี่ันน้ำตะเวียนวายไม่เข่าขือลงไปง่ายองป๊ปอบบัตดิปอบบัต ป, ปารเติได้รู้สึกเป็นกินเขากินน้ำกินอาหารนี่ยคือกัน รับเาวัดป่ายติได้คิดขบาวัดกอนี่เป็นคิดขบววดที่มีเกียตนาดิคิข่วดก่อนคิดขบาววดขาดทรัพย์เป็นคิดขบาวดที่เกตนาคิขบาววัดก่อนนี้เป็นชิดขาววัดที่บเกตนาอาการที่ผู้คือจะต้องอาบัตเดี๋นี้หอาต้องด้วยม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนี้ต้องด้วยสงสัยแล้วคืนทาลงหนึ่งต้องด้วยสคัญว่าควรในของถึงควหนึ่งต้องด้วยสคัญอไม่ควรในของจะควรหนึ่งต้องด้วยรื่สติหนึ ถ่ปั๊บอบาวัตแก้เรืงสูตเรือสียกับอะไรก็จะมีแนวอ่างถา่าปั๊บต้องไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็ น, นาอาวัตสูตรสิเอามาอ่างว่าบุกหุ่งยักอาวัตน ะ, ะมุกมากคือกนจะทําทีเดยวเหนบุกหงักนไม้ก็อ่างอะไรอย่าเง้ยทุกทุกทําแนวพันธุ์สูตรยังไม่มรู้สิง่งใดควจะรู้งนันควจะถามรยังทําไปรู้ไันมีอะไายเลยแในเขายัไม่จบว่าไปอ่านที่ได้บอกก็เห็่หาา ที่านเราผนเที่ยวทเดียวมีพวก่านอะไรลกูกเป็นไรซีวนวิงเหมือนที่คืตรง่าะเลตะวันนัแต่เพียงซวันเปอย่างยิ่งทงเร่วงซีวันไปตนี้กียรก็ดีว่าให้เก็บลายส่วนตัวต้องให้มกับเลของของสักองส่วนตัวส่วนตัวทางนี้ก็มาธิษฐ์เป็นกระพาะพร้อมถี่น่ตงมุ่หนกลับให้ให้เป็นบริการโดยกาเให้ฟั เนี on, mind, pues ่ยคเก็บสะสมไว้เป็นไม้ตีอยงของส่วนตัวคือเราพี่กับหรือของสองส่อของสองที่อยู่ฝาผีจากไกลจีวันเนี่ยแต่เป็นตรงนี้คือวันนีแต่สมมติตรงนี้เสกีภี taking. ันแต่สมมติสมมติเป็นคือออันนี้สมภาษามีปฝจากไกลจีวคือหนคืนึ่น่อันนี้สองกระถิ่นหรือคือสื้ไขายซื้อขอยู่ฝจากไกชีวันไหน เนาะปฏจว่าในปฏิจจกรรมไรเลย่อไห้มันแก้งกล่าเนาะไม่เป็นว่าไม่ถ่ายแจ้งกล่าวรักษาเอาว้น่ามันถึแก้งกา ล, ลาวคือที่จุกินผู้ขอเข า, เขาเอยากกินยากปวดเนี่ครับยา ก, กจนครับเพื่อมันสือ่เป็นัวลูกวแค่ไหนรองรักษาบริขาเจ้าของว่ารักษาบริารเจ้าของ ข, ของขปว่าทุกคนว่าบุคคลอย่างที่เป็นของแตผู้อื่นคนดับตัวใเขายักง่าย หลังฆาภาคเกขึ้นแกทิสุทิสุก็ต้องจะทาคีวอแรงแยังไม่พอเามีที่หวังว่าจะได้มาอีกจงจะผ้าเนื้อไได้เรียมเดืนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ถ้าจกได้เกินเดือนหนึ่งไปแม้ถึงยังมีที่หวังว่าจะได้อยู่ตรงนี้สนิสุทิสุทสแค่นาาอกหนึ่งที่ไม่ช่ยากยากใักกรณีในย่อมกอดีในทุกกรณีซึ้นคีวันเขาตรงนี้ทีสุเราจะถือทิสุขวาคีวันแต่ทิสุคือในสัญญาตาองตอม า, า, าได้มา นนี ama, там, es, ah ้ีจะติเงนไวยังไงสมัยที่เฉพาะีวนี่ยคือพิูมีคีวนอัจรนักหมรือมีควนัันคิดไม่เสือเสียสามเื่อนี่ยขอสองเหรียเสียสองเผือเนี่ยอเผื่อเดียเสเนเดียวอย่าไปยีเเงินไหวแต่เปนคู่ยากคู่โบราณม้กคู่ยากถู่พอหน้าหน้ามันเสียพอหน้าหน้าแต่เนียงน้ำเขอยุ่ยถ้าเขาพนาด้วยปัจจัยสี่เพียงสีเดือนยกขอเข้าได้เพียงเท่นั้นในเพียงอันท่านั้น ถ้าเกินกว่ากำหนดั้ไปทางไฟจะตีไม่แน่แต่ก็ประวัลนาอหกหรือปะวัลนาเป็นนิดยึดตัวไปดูกระบวนทักซึ่งเขาจกไปเสียจะรบกันทางไฟจตีกันแน่จะไม่เหานถ้าเหตนที่จะต้องไฟมีอยู่ไปอยู่ในกองทักดับเพียงสวันถ้าไปอยู่ให้เกินกว่ากาหนดนั้นไปทางไฟจะตีติไปเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกาหนดนั้นถ้าไปดูเขาตุกันคดีดูเขาตรวจเป็นคดีนิ้วเขาจากรบวนรักคดีดูงูเนี่ยนะที่จะเป็นวุ่นแน่ทางไฟจะตี เยอาไอะไรวันนี้เป็การตรวจตาดวงใจเป็นยัมันหนาวอือมันหนาวนะยีวันวัคซีนเป็นยังไจีวััคนแ่เนแตัวอากาศที่เนท่างเย็นๆเอี่ยเป็นแบบับเกลืกเนียะับผมไปอัี มันหนาวเออก็ได้อยู่พ่อได้อยู่แ่ต้องใจมองนเออแล้วต้องใจถึงมือก็พ่อได้อยู่เออเ็นเฮ็ดเพื voilà أو, ่อโก้เพื <t us> <t us so, ่อองค์มันปรับอีกละแล้วเพื่อกันหนาวก็คืเป็นพ่อได้ให้ไม่ซุดเพียงแค่นั้นว่าเพื่อโก้เพื่อองค์เพื่อโอวงผักปุ้มตนปยอีกแน่นึงอีก แนุงพาที่ส่งอนุญาตไว้แล้วก็คืสอสัที่เจ่าที่สู้อนุญาตไว้แล้วต น, นุงเพื่อสวยพงืงามก็ปั๊บเอาวัดต่อยิติั๊บเอาวัดทุกทกุกข์เเหมือนนุงแผนเล็กแดงเรยว่าสันนี้สันเขานี้คือัสันเพื่ออ้วนเพื่อที่พี่ก็าไรอยู่อนี่เกียรตเ่าเพื่ออ้วนเพื่อพี่พพเหเออเมือนนักต้มนักมวยสันพ่อปตาย พ, พ, พ, พ, พ่อปติวัดพ่อปจักไรแนี้ก็งเงี้ีายอยู่ ไไหหเขาไมได้เขาเฝ้ามันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนบะในเรื่องานโ่าัวคนที่มามาเนี่ยคกตตาโมกับเพียง้องายที่เจ็กันที่มาม่าเนี่ยหันหนึ่งรุ่ประโยชน์มี่หลายเรียงต่ว่าทุกุตุ่มสมประยุท์กินกับตระนึีนอีหน้าในข้างๆที่เขตั่วเป็นของกอรุ่งพประโยชน์ร้าเลี้ยวอยู่หน้าในสิบเจ็ดปฏิบัติที่สามสิบัองปฏิเสเป็นยาสี เีวิตยศชาอาชีสามสามาเก็บทเครื่องรงวาลอสิบอนทั้งสีนีนาที่ชอบหน้าโผงสงนที่่อหน้าบุคนในที่ชอบนวาที่อหน้าวามในสำนกหงมที่สองศึกษาให้สมมติแก่ทหรน้าเป็นผู้มีสีลสิที่เพื่อจะให้ใครเกิาในรับเดีหนความให้สองศึกษาให้สมมติแก่พลทหารที่สู่ผูกขยเป็นยากเลยเพื่อจะให้ใครโจทก์ธาตเลยระดับนเวลาที่เคยทนาเประมูลเาอหน ที่ช่วยพกเปลี่นว่าก็เลาเป็นบ่าเมเป็นอาวัตรนั้นก็หาามว่ให้แม่ตรดได้ไมล่เป็นเป็นหายถึงได้แต่เพ่นหาถเงว่าแล้วคนเทศอวัตรคิดจกเข้าตรน่เพือนถ้หามว่าตรวจจให้ให้อะไรเขาได้เลยเขาจะสุขปหลงเองแ่นี้นะฮะที่สุเราเพือนไปอาเซยเแยใมันมักอเป็นกน่ามว่าก็ให้ทักคนจากนจเเป็นอวัตรทุกดหนึ่ง มันเลยต้องมาต้องไปททางี่แคอากาศพร่าไอ้เออตอนนี้ก็มาติดตลาดตลาดใช้เหาขัดจ้ำมันจ้ำไปได้อันพ่นเป็นตกเป็นยัางคือว่าเป็นโจคดีบริบริแม่นกว่าเนื้อแห้งเนื้อสั้นบ้างนั่นก็ไอ้ไอ้เนี้ยจ้ำเพี้นสิไปในงานตกเขาฝุ่กแซนกันมันตักันพวกซื้อตัวยาศาสตร์งานอ่หเมื่อตัวก็เคยได้รับ ท้อยเห็ดทำรักทุว่าให้มุกยัเน่ให้มุกยัง้อมาาเราง่นฐานะเป็นมอเนี่ยนี่มันจะงไ่แย่าดโตโคตโคไม่ได้ทำไจับพอแบเปนจำูกเจ้าน อ่ะนีก็เป็นกรพกดูเลยครับดูเลยอ๋มีกเลยครับถึงร่บพัดถึบางบนแมงเเมา์ก็คือนการงเงาพวกก็คือนการแมงเงาทายลมทายอุะจาระทายตะสวะจัดล่นล่มพัดล่มมาจาลึกทายลมเงาทายอุระทายตะสวะ วันละใช่ารมเอาคนมาตั้งไม่ได้พาเลยก็ตั้งจิเป็นอาจารย์คณะเรียนหาทุกคนจิตเ็อกเตยเรียนมาจิตมาตั้งแต่ีนี้ไม่ได้ปั๊กปลั๊กโสดขนาดเลยต้องอาศัยจตขนาดเลยทุกทุกข้าอาบัตตาค่าคาตายเป็นนวัดอะ้าจิตัจจะขาพระเยเขาจะตอบโรบอทหรืออยเกี่ยวเดือดั ถ้าสำคัญว่าสัตตายนั่นแต่สัรย์้าสำคัญถ้ารู้จักว่าสตายอยู่แล้วเข้าใจว่าสักยนไา่ายแ่ขาก็เป็นนวัดทุกดสัยนั่นตายอยู่เลยดีช <est mini> ื่อจงหมดเสียขมันตายอยู่เขาแต่เขาเล่นว่าตายแ่าเป็นวัดทุกดมันเป็นวัดตาก็ตีวนทีู้ค่าสตย์ายจะในวอะไรข้าพระข้าโคข้าขบือของเขาเขาเป็นอวัตปิกนัม่น่าอย่างนมของไรเย แล้วสั่างายหยุดไปเลยอบอาบัดยากเลยเดี๋ยสารเ้หน้าที่จะหน้าอธิการร่วอกันพวกงานงานงานเกาะใบีการที่ก่อนใบดีการที่ก่อนนั่นเองเพิ่นเฮ็ดมันเป็นทํายี่ไดฮาวาเป็นท่ำพ อ, พอาเหตุอะไรเพอาสังขาดก็เป็นไฟํารมยุเแิแต่ไฟมหานิาออการเขาเจาของของขอา ง, อ ง, อ ง, องนี้หอยๆ้มันมีหลาย เห็นเพื่ทนที่ปรับแขงมเป็นบ่คนต่างร่องดีเป็นตัวแทนด้วยตัวท right ีณฑว่าทีไหนกับมือ้องข้าศัตรูมหาเทระทางานเขาไม่มีเขาไม่หาว่าเปนท่ามุพาะเกิดจุดแขงแบบเดียวเนี่มีมนเป็นส่องในกายมีแต่เทื่อมในเป็นกับร่องล่อตำแหน่งเนีก็ต่อสู้อุมพราเจ้าอ <hayır> <Girls S 1> ะไยังไงอุ้มแบบยังไงคือโบสถ์ศิวูปุ้มยังไงกับต่างอย่างของยักษ์ข้อมเป็นท่ามุงพระเจ้าอีกเป็นกระดับพุทธบัททั้น้ที่ท่านเองยังไง่าทานเอยังไงเพิ่มกะดัสังเกตสักสนอน ทุตประสรที่ยินดีนะครับฝ่ายมหากนิการขังพระพุทธเจ้ามันมันไม่เมท่านี้ เ, มมเลยย่ามแรงมาฟ้องกันย่างนั่นย่างนี้จ้าละพัดแกเอามาเห็นมันนีเฮาแต่กมันเปลี่ยนก็หนีสิเลยถ้าไม่แทะขังพระพุทธเจ้าโว้ยจ้าลพัดแลวยุยุกตนนั่นเมือกอ้ังยุกกลางวุ่นวายคับยุกสุภัยยุกต น, น, นมันยุ่แต่ีจะข้นสามวันี่จะสามวันจะสากก่อนย่เดี ก็ได้ชิคกี้กับ้อนต่งของข้าิเจ้าที่สองก้อนต่างเนย้อสัาเนธเอ้อสาอํเาเ็จออกก็ดอกบัวถูมเนี่ยงอ่านแล้ยุกกลางครับยุกท้า ย, ยาาสำคัญก็มองสมสมัยนล้วมันเป็นเรื่องนึ่งกับเรื่องหนึ่งแหละมัคุยไปจังไม่ได้นั่งแน่นอนแหละเพราะอะไรล่ะคลองรับเขลย์รับพ้นคลองรับเท้าวุฒเท้เทบาบดอคลองรับปวดศาสนาอืน่นเสียมะเขาว่าแครงดีก็พระองค์กับอะไร ถ้าเรยนวัตโมฆราเนี่ยไม่จากสัมไชนาตบุตรเนี่ยสัไชนาตบุตรมีโรีวกร่อยเลยอ้าเรนวัตโมาม่จากนเนี่ยไม่เหลือส่พวกสนเาเหลือใส่สัตสกิรอนสัตสเศตรอกไปเลยพระโสดาวันเปพโดาวันวันพระสาดพมกอพระสาดวัตบุตกับสกิเศตพระโมาอีกไเลยก็พสดาวันนั่นก็ได้ถ้อบวชเอาไปส่เรื่อง่างนังฝานอื่นอ่ะ มันแส่งกันมากย well hm ี่อประเทศอินเดียมันมีแตง้อยี่ขายมกจุดสองนี่ายเหนั้พราตุเจ้าทั้งลกเกิดขันทุกทุกทุกสมัยประเทศอินเดียประเทศศาสนาต่างๆหน้าหนาศาสนาตัวร้าปดศาสนายกขี้ปงขีเปลยม้นุงผ่านก็มีอินเทียอดหมื่นประชาจักรนาประาจิตายหนึ่งที่ให้ของเชี่ยวของฉันของฉันแก่ัวปนอกศาสนาเรื่องิของตนรัฐบาจะื พวกนอกปักนะอะไรไอ้ของกี่ของฉันเขาปว่อยกนไปวบอปราจิตีร้อสุดรนสดแล้วแชเรียนบาลเท่ากันหวังจะพูดนากาได้เพออมาเสียตัวจิีเครื่องไระมาคือวพ่อทานนี่รพฤตเกนปาจิตีแหละกทั่วไปประพฤิดถ่ามันจะเป็นเรื่องอืนไปอีกนั่นมีสนัในห้องกับผู้หญิงเลยมีผู้ชายอยู่กันเพื่อนไมค่อยดีนี่นั่งซิซิ่งนั่นนี่มากรมานนั่งซื้อเนี่ยไปแ็่เขาน่าเอื้อมกับเป็นวุฒิประโยคน์อืเน่าเอื้อมไป เกี่ยวกกอดเขาปรจับเนื่ยจับตัวเขาโดยเครื่องกำลังนี่ก็เป็นอวัตถชาเสพเศษมาเป็นเศแม่ผลเขาเป็นสารสกิดไปออันนี้ม้ากอดนั่งในห้องกับผู้หญิงเลยผู้ชายเป็นเพื่อนนิ่นั่งนั่งในที่แก้งเขาด้วยหญิงสองต่อสองต่อไปจะตีนั่งเฉอๆนี่มันมีแต่ปฏิปักษ์อย่างนั่งเืยมันคิดมันระยะนลยซิ่งๆแสดงทางแก่ผู้หญิงเกินกว่าความําเกินไปจะไปจะตีกันได้แต่มีบุรุษผู้หงสาวอยู่ด้วยิม เัวมูขขั้นนี่ย่อังเลยรูปังอนิจจังรูปมเมติยงน้เวทนาอนิจจาวทนาเมตยังสัญญาอานิจจาสัญญาเมติยงั้าอนิจจาทั้งมเมตยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณเมี่ยั ง, งญญรูปังอานาตารูปไม่ใช่ตัวตนนะฝากปหอี ก, เ, อกเดี๋ยวต้องขอเปี่ยนอาวัทุกคนโอ้จงเป็นาว่ตาิจมันยกเกี่ยวกับผู้หญงิงหนึ่งโอ้หลายแค่ไหนมุขข้อ น, น้อยเลยเจ็ดวัดที่เกี้ยวกำลังที่โซนี่นี้มีอยู่เกือบข้อสามสิบคน เวลาสูงอย่างสมัยประวัตินั่งกุกที่ทัวร์นี่นั่งขาบาน่านา่งที่นนเลนัองุกี่จะเกี่นั่งประตาจาร่าเขาีบริวารต่างหาอร่อยเด็กทหาทั้งนั้นนังข้าวบดีพูดแต่นี่มีบริวารหาอร่อยเด็กทหารทั้งนั้นน่งปุถุระเกศีกัมีบริวารหลายต่างหาอร่อยเด็กททั้งนั้น มีเส้งง่าเมย์มีเส้นงาาพอแต่ไม่เป็นพุทอย่องในคำเลี้ยงสรานคือกลับมีซึ่งผู้สาวมีเ่้นรู้วาวในคำเลี้ยสานคือหังไน่แต่เป็นลูมรรคพวกใดเสียหนออกเ้ยพถึงเก๋อ๋อข้าพเจ้าเนี่ยมาเทวทัดาเทศบาทัดเป็นผู้ใดชุดโทธนาสุดโกธนพราพุทธเจ้าเป็นลูกชุดโทธนะราเทศบทัดเป็นลูกสุดโกทนะ ลูกเทพวัฒหะเ่ยพราก็จะเจ้าลูกกบินละพกัลูกอาวนอกพ่ออเลาเรียกว่าอาวอัน้อาผู้หญิงอาผู้ชายละอันตวไขฮะเล่าเขาว่าอาลูกอานอกพอ่อเขาเทวัฒน์เป็นใคก็ลูกพระองค์เจ้าพี่ส้าหน้ า, พ, า, าน พ, พี่ส้างพพุทธชเขาก็เาพร ะ, พระองค์เจ้าชุาชุคาพราะองค์เจ้าว่าฟ้าลูกจะคล้องออกบวก พระเทวทัตเป็นขาวพูที่เจ่าที่เป็น้ทเจ่ า, แ ท, าแทพพ่พอเขาลูกขั้นเรียนสูงขัน้นเนรนสูงพระเทวทัตเขาเห็นด้วยเขาแบบเดินทังหลาถึงขึ้นเหมือมาหัเป็นมองลุกอามา่าเนี่ว่าท่านนั่งให้กินทอดฟังนี่สมปันธ์ได้กับพเต็มมเลยเดียวพเตี้มแล้วมันลุกประหอดมาเอาทีนั่นลก เหรอเห็น้วเอเหรอรูปองเบิรนด้เรจอ้าเจ้าเบิร์นเดียวเขาสุตังที่บอกว่าเายังตัวมอก็คูดให้เจ้าเนี่ยมากกลัวลอยโกรธคนใดต่กลับเปิยังอารงไข่อาสรงไข่กลับนะ่อาทรงไข่หมากกลัวลอยโกดเลยมากกลัวลาบเองอ่ โลกเ้าโลกนับเยเสมอนี่นับถึงตลาดเนับถข้างมุขตะาวมันนับถึงอสงขัขยนับถึงลักมุดนับถึงโกรธคนลขัวเพนี่นับถึงอสงไขัโกรธกรลาาา้ายก็อสงไขยเอจะไว้ว่อสังขยฮรทที่ไป่อไรฮรทที่ไปที่มาก่าไรถ้ายุบอไก็ยุบทุกปัญนาอ้ใช่ไหกอสขย อันมู้โตเป็นคุณหมอมากสิเป็นคุณหมอรักษาโรคมากสิบวัวหลวก็ได้ด เ, เ, สส เ, เปลีพยนทศชาต์ น, น, น, ต น, านี่ได้ขพุทธเจ้ามาเที่ยนหายชาหลายภพอ่ะทศเจ้าเป็นมาเนี่มัตนับก็อนแสนศาสตร์ล้วนเยอันมู้ห้าวในบวชทังสี่ก็คือแข่งพุทธเจ้ามาเถี่นเลยว้ยนับแสนศาต์นี่หรือแต่มูโตบวชมากเนี่ยเาว่ายู่แล้วมู้โตเป็นคุณหมอมานี่ยคือแบบ่ยนสิเปล่นมาทศนียเปลี่วนมาหลายชาติหลายภพเลยเนี่ นุ use, образ, water, food, store, milk milk, ้แพ้อันนั้นม็ตดมากแล้วมุตโตมันบางไงี้ย้มุตโตมันจะขาดตัดนิจิบานกับจิบบวดบานก็ไเช้าเขาเรียนเมี่ยเขาตอนในเร็วมูตโตแงงหมดนุ้ยแพ้ดีแค้ใดอครับทันพาเขาใช่อพาไปเจอเจ้าพัวเขาก็ีวันีล้วน้ำตลาดมันแหล่งหรือวิทยาห้อที่เป็นหอกหลงทำงานเหนื่อยแล้วขาดพับปักเ้มุตโตมันดะเฮ็บพ่นมุตโวห้าสิบครั้ง ตัวโครมู้โตเขาบอได้เห็ดทีอเอยยังมันม่น่อ่บางหลายเนีมู้โตเนสันาเป็นคนมีหลอกหน่อยมูโตมีหลอกหน่อยที่รุ่ด่ะพาคพุล่ะมีหลอกหน่อยพอเนวเขาบกว่าเนยเคยเด็เป็นหนาะเคยแด็กหายอาเป็นท่านพระพุทธล่ะมอห้ำมาเล่นม่เล่นผ่าบ่มเี่มาเล่นไม่เล่นผ่ลุกไปมากไกระปีกระเ่า กสระเขาสรากคือคอยแหงน้องก็คือไม่มีหลอก็ย่งหวกหมวกว่หมวกบ้าวปันข้ากม้อ้าวบริสุทข้าวผักโบราณเาไปเจ้าเนี่ยขุดรถขุดขำ่ได้พวกแพรในหลานกคนคนเลยสงสารได้แสนสามล้านสามโกดสามน่สานึ่งนึ่สานึ่งนึงเป็นยังสตวมาเป็นยังเสมากสับตัวนี้ตายจากวุฒิธรนแหละก็เกิดทนตายเพว่าเกิดนีมันมีอยู่พวกนี้ใส เตวิโชชระพิน่เข้าว่าป่าชนานี่ใสเข้าป่าถนานี่ใสสุขยาพัสตกโกสำเร็ก็สำเร็กับป่าถนาสุขยายพัสตะโกปุยรอดในพัสตะนาล้วนบ่ได้สร้างรอยไม่ลายหนึ่งอชงไขโอ้แสนกับบ่พออสงไขแสนกับกับมีแต่พีนี่เขาคือที่เจ้าพระองค์ฮกโองสามก็ไม่อันนี้แสนกับเด้ไรายนี้ ไม่สามวันนี่หลายนี่พระหันถจพวกเหลียวไมสามวัานี่ล้วนอกก็ในนี่อส้งไข่นี่อต้งไข่างสไลายก็แสนกับหมดอ้าวใค่มากวดหกคนี่มาบ่นอยู่บนนี้มันคิออครับมันคืะไรไม่รู้นี่เป็ชายาความรบื่อหนายมันปิตุธรรมยะตายาปีชาํานึงด้วยไขงจากคนใจเสียปี่สังขารุปัตนายาก็ที่จะนำอาสาที่จะก้น มนจิตุกามยกายานปรีชาคำนึงเรื่องข้าจะพ้นไปเสียเปลียนเนื้อโคที่มันอยู่ในข้ออัดแอ่นั้นต้องการจะออกนี้รัติสังขารุปัตนายานก็พิจารณาหาทางรัติปัฏายามทัศนวิสุทธิ์ก็เห็นห น, นทางประจักริออกพัท ร, ะ ย, ะรยาัยนุปัตนายานปรีชาคำนึงเห็นความเกิดและความดับทังขาหนุปัตนายานเห็นความดับซึ่งความเกิดนะ เราเห็นแต่อันนี้กลางายดับอันนี้ังฝ่ายเกิดไม่ได้เห็นถ้นก็ดูก็จะได้ที่มาไแผ่นดินผมก็จะผูกไฟเผาอะไรอะไรจะผูกผัไฟของดินลอยเป็นดินน้ำไปเป็นน้ ำ, ไ, ปปนนำไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลมบาปก็ไปเป็นบาปบุญก็ไปเป็นบุญกีเิต ก, ก็ไปเป็นชีวิตอีถ้ามีชีวิต ก, ก็เข้าสู่ทางนิพพาน ถ้าจะมีกิเลสกิเลสก็ต้องตามไปควา ม, ม, มาเขาต้องโลภะถ้าไม่มีเ็ดก็ไม่มีสนิทถ้าไม่มีสนินก็ไม่มีเลสแค่เลสดีก็ไม่มี น, นิกิเลสเียบเหมือนพรวันทําได้ยึดเปียเหมือนต้นไม้กิเลเปียบเหมือนของตกกระปุกึมาคว้าผ้าผ้าเปลี่ยนใจต้องซักออกด้วยน้ ่ตองพออกเมื่อทานวัตคีระวัตภาวนาวัตถิสนาตุปัญญาแร้าาวอืานาวว่นต้องพักมาออกเวลาสบายไม่มีมันนี่มีแต่ทุกข์นะไม่มีเวลาสบายเลยหากินก็เป็นทุกข์เพราะว่ารัตสาสร า, าก็บอกว่าอาหารละปริเวทที่ทุกข์ทุกข์ในการหากินแลวทั้งหลายออกหากินก็เสียงต่ออันตราย นกนูปูปีกออกค้างคืนก็เสี่ยงต่ออันตรายปูปลาออกค้าสคืนก็เสี่ยงต่ออันตรายมันก็เสี่ยงต่ออันตรายเหมือนกันครับรถขี่ก็เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อหาขายกำไรก็เหมือนกันเกงเขาผลเสียงเขาจะดมช้านะครับเสี่ยงต่ออันตรายมีมากก็เกงเขาจะมารักไถลขลังไม่มีก็ไม่มีอะไรจะซื้อทีนี้นี่ทอง ก็จะอยากจะเอามาผูกแคบ้าาเดี๋ยวาถูกไปผูกมาไอ้โจนมันก็ตาเหรียญสิเพี้ยนทุกอีกสิไปรถทัวใส่เ ม, นะมืไงเนาะเดี๋ยวมันบอกเนาะจมูกจมหาอะไร อ, ออกออกเนาะเขาดีๆแบบเหรี้ญมันร้านอะไร อ, ออกออกไปไปรถทัวรถเขาเดินทางไม่ใช่รถเราที่เมาเองรถเราที่เมาเองมันเป็นสถาบัน พราวกเรามันมีคนอื่นลดส่วนรวมที่เขาเดินที่เขาวิ่งแต่ไปมาว่าลดไปกำทางเขาลดรเราเมาแล้วไม่เป็นปัญหาเลยเพรา ก, ก็รมสิทธิ์อยู่กับเราไม่ใส่หาดอกแต่ขันใหญ่ก็เพียงไหนก็จะเป็นปัญหาเฉพาะเราแต่ขอระวังอย่าให้คนอื่นมากขึ้นด้วยพวกะเราจํากันไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นคนนั้นคนนั้นัน้ น, น, น, น, นเดี๋ยวกูขอขึ้นมาผสมเนาะ ไม่ได้ละเขาวางแผนนะนั่นเขามาขึ้นบอกว่าเจนแมวครัทเจนแมวครัทเจสของสัตว์ั้งหลางเสี่ยงวุนเสียงกรรมไหนจะเข้าไม่ออกเขาบอกว่าตายหมหนจะออกไม่เข้าเขาเล่า ว, ว่าตายเี๊ยบก็ะจอใ้เดินก็ฟังอะไรอ่อนะอยู่ในสนามแต่สนามเจ็บ ส, สนามตาย